แกคุยสนุกด <Tr ish> <os> <and suspenseful> ีแม้จะขี้โม้บ้างถ้าน้อยจะดื้อยากนั่งแย่เป็นอิสระก็มีพานอยู่คนเดียวเท่านั้นที่พี่เห็นว่าเหมาะที่สุดใครคะพลานใหญ่ของเราระพินดารินหันไปมองดูหน้าพลานใหญ่แล้วยักไหลอีกครั้งก็ได้ค่ะน้อยบอกแล้วยงไงว่าพรานคนไหนก็ได้ทั้งนั้นว่าแต่ตัวนายพลานใหญ่เองเถอะ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 ระผินพูดเนิบเนิบสีนหน้าเฉยเมยผมขัดห้างไว้ให้แล้วพรานที่จะให้เป็นนั่งเป็นเพื่อนก็นัดแนะซักซ้อมมอบหมายหนะ้าที่ไว้ให้แล้วแต่ถ้านี่เป็นคำสั่งผมก็ไม่มีทางขัดระหว่างที่รอนเม้มดิมฝีปากจ้องเขาอย่างขัดเคืองพี่ชายกระลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาตบบ่าพรานใหญ่บอกเคร่งขืนว่าเมื่อน้อยจะแยกนั่งตะหากจากผมหรือชัยยันให้ได้ก็ตามชาเค้า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 ชัยยันว่าหลังเที่ยงของวันรุ่งขึ้นคณะนายจ้างก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการเดินทางไปนั่งห้างลรพินเอาพรานของเขาร่วมทางไปด้วยเพียงบุญคํากับเกิดนอกนั้นให้อยู่ประจําแคมป์รวมทั้งแง่ทรายด้วยบุญคําจะนั่งคู่กับเชษฐาที่ห้างดินโป่งเกิดนั่งกับชัยยันที่ห้างหนองน้ําเล็กบริเวณหนึ่งใกล้ทางด่านและตัวเขาเองผู้จะนั่งเป็นเพื่อนน้องสาหัวรันผู้แสนทะนงของนายจ้าง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 และมีความรู้สึกอยากจะหยุดพักเพราะหิวน้ำและขาทั้งสองล้าเต็มทีทั้งหมดภายใต้การ น, นำของรถพินก็ทะลุ ป, ป่าเ้าวันออกสู่ด่านเล็กๆด่านหนึ่งเป็นทางลาดต่ำพอพ้นผูของต้นกลางใหญ่ขนาดเจดปดคนโอก็ถึงแอ่งน้ำเล็กๆอาาเขตประมาณไม่เกินร้อยตารางวาน้ำเป็นสีดำคล้ำด้วยใบยไม้ที่ร่นลงไปหมักหมมทับถมกันอยู่ในระหว่างโขดินรกะกนกะ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 อันน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเจ้าลายมาสุดหมอบเบียกกินน้ําอยู่ริมแองเมื่อกินเสร็จก็กระโจนไปยืนอยู่บนโขดินกลางแองกแล้วเพ่นต่อไปยังอีกด้านหนึ่งขึ้นปากด่านไปดารินนั่งพักอยู่กับบุญคํากําลังกรอกระติกน้ําดารินนั่งพักอยู่กับบุญคํากําลังก่อกระติกน้ําดื่มอยู่ที่โขดินก้อนหนึ่งไม่ได้ตามเข้ามาด้วย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 ก็เดินกลับมาที่น้องสาวและบุญขามบอกว่าเอาละน้อยเธอขึ้นห้างนี้กับรพินพี่กับบุญขามแยกไปก่อนละยังจะต้องเดินอีกตั้งชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่พี่จะย้อนกลับมาสมทบกับเธอและรพินที่นี่รอ ด, ด้วยก็แล้วกันโชคดีค่ะพี่ใหญ่น้องสาวโบกมือให้ยังคงนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่โขถินก้อนเดิมพี่ชายโบกมือตอบแล้วคว้าปืนที่พิงไว้กับโคนไม้ขึ้นมา บุญคำก็ออกเดินนำเรี่ยวเลาะแองน้ำนั้นขึ้นสู่ปากด้านด้านหนึ่งไม่กี่อึดใจร่างอันสูงใหญ่สง่างามของราชนิกลหนุ่มผู้เป็นพี่ชายกับร่ามผองเก่งของพรานพื้นเมืองก็รับหายไปจากสายตาทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดตามเดิมเหลือแต่เพียงหญิงสาวผู้สูงสักและพรานใหญ่สองต่อสองท่ามกลางความเปลี่ยวเปล่าน่าสะพรืกลัวของดงทึบรอบด้าน ฝ่ายหนึ่งนั่งเอาปืนพาดตักวางข้อศอกไว้บนปืนตั้งฝ่ามือทั้งสองรับ่างไว้อีกฝ่ายหนึ่งยืนพิงโคนไม้อยู่ข้างหน้าในระยะห่าง3 4มก้าวตาแข็งก้าวทรงอำนาจก่อไปด้วยความเย่อหยิ่งกับตาเนื่อยเนื่อยเฉยเมยทั้งสองคู่สบกันขณะนั้นลมป่าที่สงบมาตลอดก็เริ่มโชยใบไม้กระดิกและเสียงเรไรก็เริ่มเพลียระงมแล้วคนไปกับจักรจันลองใน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 ผมยอมรับตามตรงว่าไม่สู้จะสันทัดจัดเจนหรือชำนาญในสัญชาตญาณ น, นักแต่ก็พยายามจะเรียนรู้ด้วยสติปัญญาอันโง่เง่ า, งาตามภาษาคนดงของคุณนั่นลน้ำเสียงของหลอนแฝงไว้ด้วยรอยเยะ่ะมุมปากงามพรามไปด้วยรอยยันระพินภัยวันถอนใจหนักหน่หนวงบอกกับตนเองว่าใช่แล้วเขาคิดไม่ผิดหม่อมและชงหญิงดาลินวราฤทธ์ร้ายกาจหน้าหนักใจ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 หยิบถุงมือหนังขึ้นมาสวมมือทั้งสองแล้วไต่ขึ้นไปบนลำต้นไม้เองอันมีกิ่งก้านเป็นที่ยึดและที่พักตัวได้ตามสมควรนั้นด้วยอาการแคล้วคล่องว่องไวผิดจ า, จากบุคคลทั่วๆไปที่เคยห็นไม่กี่อึดใจนั้นร่างงามก็ขึ้นไปยืนเท้าเซอเอลอยู่บนห้างก้มลงมองดูเขาแล้วปินหัวร้อหึหึอยู่ในราคอไต่ตามขึ้นไปช้าช้าส่งปืนของหล่อนข้ามราวห้างไปให้แล้วก้าวข้ามราวขึ้นสู่ตัวห้าง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 จะทำให้เราเผลอหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวตกอยู่ในฐานะประมาทกว่าจะรู้สึกตัวช้างก็อาจจะมาลื้อห้างเราเสียแล้วข้อนั้นไม่สำคัญหรอกหล่อนตะวาดแวด๊ดถึงจะนั่งกันตลอดคืนฉันก็นั่งได้แล้วก็ไม่บ่นด้วยแต่ที่ฉันเดือดก็เพราะไอ้คำตอบแบบยวนหาเรื่องของคุณต่งหากคุณบอกกับฉันสีอย่างนี้แต่แรกมันก็ไม่ยั่วโทสะขวางหูตอบออกมาได้ว่าห้างยิงสัตว์ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า พูดแบบนี้ชวนให้อยากต่อยปากสิมากกว่าจะทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีคนเราถ้ามัวแต่คิดที่จะต่อยปากกันอยู่ล้วก็ถึงยังไงยังไงก็ไม่มีทางจะทำความเข้าใจกันได้ด้วยีอยู่วันยังค่ำแหละแล้วคุณหญิงก็คิดอยากจะต่อยปากผมมาตั้งแต่พบกันครั้งแรกทีเดียวความรู้สึกชนิดนี้มันแก้ยากเสียแล้วก็หมันยวนเขาสิก็หมันขวางเขาสิบ้า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 เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วหรอกหนะ้าหล่อนกระชากเสียงมาเบาๆหมายความว่าอย่างไงที่ว่าเรียบร้อยกระสุนเต็มอัตราซองแล้วยังอยู่ในลากล้องอีกนัดหนึ่งแปลว่าขึ้นลําไว้แล้วยังกระสุนอยู่ในลากล้องก็จริงแต่ฉันลดนกไว้พลานใหญ่พยักหน้าเอาละขึ้นนกตาขุนเขียวคู่นั้นจำเรืองแวบมาที่เขา แล้วตบลูกเลื่อนของบราวนิ่งจุดสมเจ็ดห้าแมกนัมขึ้นเสียงดังสนัน่นพร้อมกับตบลงเข้าที่ตามเดิมไรเฟิลกระบอกนั้นอยู่ในภาวะพร้อมที่จะยิงได้ทุกขณะฮึเสียงหนักหนักกระแทกอย่างประชดทีนี้ลองใส่ห้ามไกเซฟนะ่ะฮึอา้าวยังกระหัดทหารหรือมาฝึกอาวุธปืนกันใหม่ทีเดียวเชิญออกคาสั่งมาอีกซิจคว่าจะให้ทาอะไรอีก ปลดห้ามไกลฮ้อ้อาวปลดแล้วทำยังไงอีกล่ะก่อนจะออกเดินทางมานั่งห้างในวันนี้คุณหญิงตรวจตอบ ป, ปืนกระบอกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังพรานใหญ่ถามด้วยหน้าขึมอยู่ตามเดิมทำไมถึงจะไม่ตรวจเรียบร้อยหมดทุกอย่างอะไรบ้างที่ว่าเรียบร้อยนะลากล้องเกลียงสะอาดล้วงเอาน้ามันหล่อเลื่นกับจารบีออกหมดแล้ว เข็มแทงชนวนปฏิบัติการได้ดีโบอยู่ในสภาพเรียบร้อยหมุดหรือสกรูทุกตัวไขเกลียวขึงแน่นศูนย์เที่ยงระยะร้อยหลารับรองว่าฉันสามารถยิงร้อยรูจมูกของคนจวนโโสูคนไหนก็ได้รอบครอบและช่ำชองดีมากในการตรวจตาอาวุธปืนแต่ก็เป็นความรอบครอบและช่ำชองของนักยิงปืนเป้ากระดาษเท่านั้นไม่ใช่นักราชสัตว์หมายความว่ายังไง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 เสพปืนของนักล่าสัตว์ทุกคนควรจะเบาและคล่องที่สุดเวลาจะใส่หรือจะถอดต้องทาได้อย่างนิ่มนวลและไม่มีเสียงดังครอกแคลกเตือนสัตว์ให้รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวดาดินขมวดคิ้วก้มลงมองดูไรเฟิ้นบนตักแล้วรีบทดลองใส่และถอดห้ามไกลสลับไปมาสองสาเที่ยวก็ยิ้มออกมาเจื่อนเจือนเสปืนของหล่อนค่อนข้างฟืดจริงๆและมีเสียงในขณะที่ปลด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 ต้นว่านั่งห้างดักยิงการสูญเสียก็เพียงแต่ไม่ได้สัตว์นั้นแต่ถ้าการเสียโอกาสในขณะที่สัตว์ร้ายมันชาร์จการสูญเสียก็อาจมีความหมายถึงชีวิตและในป่าเช่นนี้อย่าว่าแต่เสียงเสพ ป, ปืนที่ลั่นแค่ดังกริ๊กเดียวเลยเสียงถอนหายใจก็ยังได้ยินไปไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาทูของสัตว์ด้วยแล้วยิ่งจับสิ่งปกตินี้ได้ทันทีเขารวงลงไปในย่ามเครื่องหลัง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 นี่มันไรเฟิลจุดสามห้าแล้วก็หวังยิงสัตว์ใหญ่ไม่ใช่ลูกกรดที่จะยิงนกยิงหนูเล่นจะได้ขนมาเป็นร้อยปืนขนาดนี้ขอให้มีโอกาสลั่นได้นัดเดียวก็เห็นดีเห็นชั่วกันไปแล้วอยู่หรือไม่อยู่ก็รู้กันคุณคิดว่าฉันจะยิงกระทิงซ้ำถึงสิ10นัดทีเดียวหรือนี่ยังไงอวดดีอีกแล้วใช่ลูกปืนไรเฟิลขนาดนี้นะ่ะลงได้ลั่นนัดสองนัดก็รู้ผลแล้ว แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท